บุกทูสามสิบเจ็ดซดมินทรีเซระหว่างเดินทางนาโปติเขาขับรถจักรยานยนต์ on sepile zmotorym เขาขี่จั ก, กรยาน on c e p is is s o l s m เขาเดิน on g r p เขาไปโดยเรือใหญ่ on c e p h a l a i o เขาไปโดยเรือ on c e p s o n m เข่าว่ายน้ำ on plava ที่นี่อันตรายไหมคะ aljetuka nevarno การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ aljetuka nevarno Jesam potujes sautostopam มันอันตรายไหมค ะ, คะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน น์รนชเราหลงทางซาชลสมเรามาผิดทางนานชนีพติสเราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมมราโมเซวอร์นีจอดรถได้ที่ไหนคะ ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะคุณเล่นส ก, กีไหมคะ คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ Seboste polia l i e n i c a ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ g tukaj i s p o s o